ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่านั้นบุญยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุญให้ผลล่ะจะรู้ว่าโอ้โหดีจริงๆดีแท้เนี่ยนะดีแต้ดีว่าเนะตาสุรีฟังเข้าใจอย่างนี้เลยดีแต้ดีว่าเนี่ยนะผมมานี้เป็นคนเหนือไปเยอะเลยนะอู้กำเมืองได้หลายคํำละภาษาบาลเฮานี้สักว่าบุคอยเป็นแล้วคุณการตาทัานข้อปฏิบัติสรุปว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดนี้เป็นเป็นอะไรเป็นศาสดา จะใช้คําว่าแทนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆพองศ์ไม่ได้ใช้คําว่าแทนใช่ไหมจักเป็นศาสดาคือเป็นตัวศาสดาเลยแหละไม่ใช่ทํางานแทนกันนะแต่เป็นตัวศาสดาเลยธรรมวินัยที่พรงศ์บัญญัติไว้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเคร่งครัดอยู่ในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะดูก่อนอา น, นุนที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติก็ฟังแล้วก็คือเนี่ยก็คือมรแปดมีในธรรมวินัยใด ก็ใช่สมณะก็มีในธรรมวินัยนั้นก็มักแปเนี่ยถ้าไม่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิข้อนึงคืออะไรเพราะว่าที่อื่นๆก็อธิบายไว้เยอะอยู่แล้วคือการสังขยานาเนี่ยจะไม่เป็นการลักษณะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดแต่จะแสดงแบบรวบพักเพราะว่าอย่างาพูดคําว่ามักแปดคือที่สูรอื่ น, นพูดคําว่ามักแปดไว้เยอะอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาแยกให้มาแสดงอะไรเป็นพิเศษหรือว่าท่านล่าไว้ว่า ในระหว่างที่ศึกษาระยะสั้นๆ น, นั้นเนี่ยสุภัท t h ได้ได้ศึกษาเรื่องนี้กับกับพูพ้พผู้รู้ที่นั่นเยอะเหลือเกินใช่ไหมพระนรนนี่เป็นอุปชาบวชให้อ๋อถ้าเป็นพระอุปชาวบวชให้ก็น่าจะมีคงคงมีการแนะนําอะไรอีกเยอะอนะผมเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าคงไม่ใช่แนะนําแค่เท่านั้นแต่พระนร์คงแนะนําอะไรไปอีกเยอะแหละ แต่ตอนหลังก็ท่านก็บรรลุเนี่ยนะแต่ว่าโดยสรุปว่าพระสุภาธาบรลลุเพราะปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไ ป, บปด้วยองค์8อันถ้าเราปรารถนาจะตรัสรูต้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องถือเอามรรคอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นเป็นหลักก็ลองมาไล่ดูนะอย่างที่ว่าเนี่ยรับหนึ่งอารมณ์เนี่ยคิดยังไงให้เป็นมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงเนี่ยนะถ้าเห็นใจนหมวยเจริญมรรคแปดได้ยังไงเห็นยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดถึงใจหมวยยังไงเป็นสสัมางะ พูดกับเจมหมวยยังไงเป็นสัมมาวาจาเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นสัมมากรรมันตะเกี่ยวข้องยังไงเป็นสัมมาชีวะอันนเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นสัมมาวายามะคิดยังไงเป็นสัมมาสติมานสิกานยังไงจึงจะเกิดสัมมาสมาธิตรงนี้น่าสนใจที่ที่เป็นบทซ้อมที่เราจะต้องเอาไปฝึกซึ่งสูตรก็บอกแล้วว่าสมาทิฏิคืออะไรก็ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งก็ไปคิดทำอย่างเดียวนะมันมานัสิกานอารมณ์อะไรก็คิดให้เป็นมรรคแปดกันแล้วกันเออาเก็บไว้พรุ่งนี้ครับ เพราว่าอยากจะให้ผู้ผู้รู้หรือว่าผู้ที่เข้าใจขึ้นมาแสดงในรถนะฮะเออเจริญมรรคแปดนะั่นนะท่านเจริญยังไงอน่าสนใจมากนะเพราะนั้นก็ถ้าผู้ใดจะเตรียมตัวมาบ้างก็ดีกันนะก็เอาวิธีการจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดมาคุยกันมันข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวัดวัดวัดตะทุกในอริยเมวาอาาัถังคิโกมัคโคนี่นะ ก็บอกชัดเลยว่าอย่างนี้นั่นแหละไม่มีทางอื่นนะอย่างตอนที่เราเรียนธรรมจักก็อย่างนั้นไม่มีทางอื่นจริงๆแสดงว่าสูตรแรกกับสูตรสุดท้ายพระองค์ตัดไม่ขัดกันเลยยังอยู่ในประเด็นเดิมคือมรแปดคือมัชชิมาปฏิปทาที่พระงองค์ทรงแนะนำเนี่ยนะตลอดระยะเวลา45ปีก็ยังอยู่ในมรแปดไม่มีผิดพระอาจารย์เกต น, นะท่องมรแปดได้แล้วเีว๋เอาอยาอย่าให้ลืมลนะนะ ลือเนี่ยทาเงินหายช่วยไม่ได้เนี่เอาเอานะไรทองไว้แล้วสัมมาทิฏฐิเป็นชนะัมันก่อนก็ยังจําได้แนะ้ก็เอาตรงนั้น เ, นเป็นหลักนะนะทความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละข้อเอาจนพอนะั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นใครปั๊บก็นึกมักแปดให้ได้ไอ้ที่เราคงได้ยังดีกว่านนะั้นี่ยต้องแต่ข้อน่าจะได้สักข้อหนึ่งะนะแต่ถ้าย่อลงมา ม, ามักแปดก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคิดยังไงเป็นศีลคิดยังไงเป็นสมาธานนะนะิคิดยังไงเป็น การเป็นปัญญาเนี่ยนะอย่างพวกปริญญาเนี่ยคือปัญญาขันแล้วศีลขันก่อนละ่ะสมาธิขันเนี่ยต้องมาก่อนนะแล้วอย่ามุ่งทําปัญญาจนลืมศีลกับสมาธิเนี่ยนะคือการทําปริญญาเนี่ยมันเป็นอธิปัญญาสิกขาถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะการทําปัญญาเนี่ยมันอยู่เล่มสุดท้ายในบรรดาหนังสือ6กเล่มเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็หรือบรรดาที่ทำเก้ประเชเนี่ยนะการทําปัญญาอยู่ประเชตไหน ประชดสุดท้ายประชดที่เก้าเนี่ยนะอันพื้นฐานประชดต้นๆ น, นี่ก็ต้องแม่นก่อนทั้งเก้าประชดเนี่ยอยู่ในปัญญาปัญญากระถาในวิสุทธิมรรคทั้งหมดทั้งเ้าประชดนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พื้นฐานการศึกษาธรรมในส่วนอื่นๆนี้ก็นับว่ามีความจําเป็นแต่ที่จําเป็นมากที่สุดคือศึกษายังไงความรู้เหล่านี้อยู่ในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะในชีวิตที่เป็นจริง เพราะว่ามาสัมมักแปดคืออะไรหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกปัปปะไลยอย่างนี้ไปเรื่อยนกแก้วเนี่ยนีก็ดีกว่าจำอย่างอื่นเลยนะถ้าว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ดีอ่ะแต่ว่าทํายังไงจะเอามาประยุกต์ใช้ได้จริงๆคิดถึงผู้การยังไงเป็นสัมมาสังกปัปปะเออเนี่ยน่าคิด <S <S พูดกับอาจารย์สันติยังไงเป็นสัมมาวาจาเกี่ยวข้องกับอาจารย์เกตยังไงเป็นสัมมาอาชีวะอย่างนี้น่าคิดเ น, นีแล้วเนี่ยเดินกลับบ้านยังไงเป็นเป็นอะไรเป็นสัมมตทาน เ, ออเดินกลับบ้านคิดเป็นสัมมาประธานสีได้นะไปเที่ยวตาช้าได้สติประธานสียังไงมันเป็นยังไงเห็นสีขาวปั๊บเจริญฌานได้ยังไงเออหน้าคิดทำได้ยังไงเดี๋ยวพวกนี้ให้คุณการตามเล่าให้ฟังมันหลบหน้าเลยคิด เรียนมาขนาดนี้แล้วท่านธรรมะที่นําออกจากว่าแตทุกจริงๆก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองคปดนะให้ถือเอาปักมีอง8เป็นหลักมันเห็นอะไรก็คิดให้เป็นมรรคมีองค์8ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องทําความเข้าใจให้ได้จะต้องทุ่มเทกันจริงๆเพื่อให้เข้าใจในอริยมรรคมีองค์8สรุปว่าอริยมรรคมีองคปดทากิจทำเปรีย ญ, ญากิจในทุกทำกิจละในสมุทยัยทํากิจบรรลูพระนิพานโดย อารมณ์เนี่ยนะโดยอารมณ์พันถ้าหากว่าเราเจริญมรรคมีองค์8จริงเราก็จะแทงตลอดอริยสัจในธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าไม่เจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่เป็นหรือไม่เข้าใจอริยมรรคมีองค์8ก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่พลาดจากาศาสนาอย่างใหญ่หลวงเนี่ยนะพลาดอย่างมากๆเลยนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจข้อปฏิบัติคือมรรคแปดมรรคแปดกับมรรคขปใจาเนี่ยมีวิธีการเจริญคนละอย่างกัน ถ้าพูดมัคปัจจัยเนี่ยนะคือสัมปยุตตธรรมก็คือกลุ่มสัมปยุตตปรจัจจัยซึ่งการการกล่าวแบบนั้นก็สัมปยุตตปัจจัยเท่านั้นเองไม่ได้มีการแยกมาเจริญเฉพาะใช่ไหมเวลาที่เช่นให้ทานเนี่ยมักเกิดขึ้นหลายองคนะ์ถ้ากล่าวตามมัคขปัจจัยเนี่ยนะแต่ในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะกล่าวแบบมัคปจัจจัยแต่กล่าวแบบการอบรมอุปนิสยปจยัจจัย เจริญสัมมาทิฏฐิเป็นอุปนิสยปัจจยัยสูตรเขาก็มีว่างไงเจริญสัมมาทิฏฐิอาศาัยวิเวกอาศาัยวิราค่าอาศาัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสล ะ, ะอันนี้เป็นก er ารเจริญอาอุปนิสัยเจริญสัมมาสังกัปะอาศาัยวิเวกอาศาัยวิราค่าอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเจระิญสัมมาวาจาอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละ เจร totally so mm ิญสัมมาสังกัปปะอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละกท่านกายกรรมยังไงอ่ะที่มันมันโน้มไปเพื่อพระนิพพานเน่ยนะเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมาวายามะอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้มไปเพื่อการสละ เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละะมันการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นการเจริญเพื่ออุปนิสัยปัจจัยไม่ใช่เจริญแบบมรรคปัจจัยมรรคปัจจัยนี่สำรับอราชาติสหาชาตชาติแต่ถ้าปฏิบัติให้ถูกจริงๆนั้นเป็นเจริญแบบเอาอุปนิสัยปัจจัยเพราะว่าในขณะมรรคมีขณะอริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นขณะนั้นแหละเป็น มัคปับ จ, จัยหรือสัมปยุตตปัจจัยอยู่ด้วยกันอันการเจริญกุศลธรรมชั้นล่างๆเพื่อกุศลธรรมชั้นสูงตามที่พระองค์ตรัสว่าทำมานุธรรมปฏิปติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมเจริญสัมมาทิฐิยังไงเจริญสัมมาทิฐิเบื้องต้นยังไงจึงจะคู่ควรแก่สัมมาทิฐิในองค์มรรคเจริญสัมมาสังกตะในเบื้องต้นเช่นไรจึงจะคู่ควรแก่สัมมาสังกตะในองค์มรรค สัมมาวาจาสัมมาตามันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิก็ในัยยะเดียวกันว่าเจริญคุณเบื้องต้นเหล่านี้อย่างไรจึงจะคู่ควรแก่สัมมาทิฐิในองค์มรรคเป็นต้นอย่างเช่นเราจะรักษาศีลอย่างไรจนคู่ควรแก่ศีลในขณะโลกรุตระมักเกิดได้อะถ้าไม่เจริญกุศลศีนเบื้องต้นอย่างเฉาเฉาดีๆเลยเนี่ยนะคิดหรือว่าเจริญมิปัสสนาเดี๋ยวศีนจะเข้ามาเองเข้ามาเองได้ไหม ไม่ได้เนี่ยนะก็ต้องเจริญคุนชั้นชั้น ล, ล่างเนี่ยให้เป็นอุปนิสัยเพื่อให้อริยมรรคเกิดก่อนถ้าไม่ตั้งให้เป็นอุปนิสัยให้อริยมรรคเกิดก่อนไม่ใช่ฐานะที่จะเปลนไปได้ไม่ใช่จริงๆเลยเพราะฉะนั้นการเจริญมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิและปัญญาก็ต้องมาฝึกให้ให้ดีๆทาความเข้าใจให้เพียงพอถ้าไม่เข้าใจมรรคใองค์ 8, ถึงจะชวนนั่งก็ไม่ได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ อะไรก็ดีกว่าแต่ว่าชวนนั่งมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะมันตัดความวุ่นวายไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนนิ่งๆกันนะถ้าฝึกเนรด้วยที่ชอบมา ก, ก่นนะให้เนร น, นั่งสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยลดความวุ่นวายไปเยอะเนี่ยนะไม่งั้นเนีน่ยจับปูใสก่กระดงเลยนะก็มีข้อดีอยู่บ้างเหมือนกันในแง่บริหารหลังจากที่พระ อ, องค์เนี่ยตรัสพระพุทธพจน์หรือสอนอริยมรรตมีองค์แปดแล้วก็โอวาสสั่งสอนว่าธรรมวินยัยจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลาย ทีนี้บอกว่าในในบริษัทในม่านเนี่ยเขามีการวงม่านรอบนอกรอบในนะตอนจกักรพรรดิพี่านม่านรอบในเนี่ยมีพระโสดาบันอยู่ท่านเดียวคือพระอนท์มีหัวหน้าคณะ500ร้รูปนี้เป็นพระอริอยะหมดเลยเป็นพระอรหันต์หมดเลยมีพระโสดาบันอยู่รูปเดียวคือพระอ น, น์นแต่ตานท้ายพระองค์ก็เตือนว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบัด น, นี้เราขอเตือนพวกเธอว่าเตือนเลยนะเป็นคําเตือนเลยนะคำเตือนหรือคําสั่งก็ได้ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขยะวยะธรร ม, มานะมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจริงๆแล้วคิดว่าสิ้นไปเสื่อมไปก็ดูนะของพระพุทธเจ้าอย่างสิ้นไปเสื่อมไปแล้วของเรานะอีกยี่สิปีเนี่ยต้าเป็นสีจะมาได้ไหมยี่สิปีร้อปีพอดีเลยนาะเกือบไหมอ๋อเหรอเฮยตอนนั้นเป็นสาวไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนั้นเป็นสาวอาจจะมาใหม่ได้แล้วถ้าอีกอยี่สิบปีไงนัน ถ้าเป็นสาวเร็วไปก็แสดงว่าจูิเตี่ยว่า้เยอะกว่านก่อนแล้วก็ น, นึกนเอาไว้ว่าจรโย์กุศลธรรมนี่ให้เพียงพอจนกว่าจะบรรลุเพราะสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงจริงๆสังขารทั้งหลายมีความแปรไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็อย่างที่ว่านะอย่างถ้ามีมารอบใหม่อีกนะสงสัยลดไปเยอะนะประชากรของเราเนี่ยนะ ลดด้วยเหตุผลได้หลายอย่างบางคนป่วยมาไม่ได้บางคนก็เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นเนะนะก็ไม่ค่อยแน่นอน น, นะบางคนก็กระล้องกระเร่งเต็มทีแล้วมาไม่ไหวแล้วเนี่ยนะลากสังขารไม่ไหวแล้วเป็นต้นเนี่ยนะมันก็สังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้และ พระธองจึงเตือนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทเจริญมักมีองค์แปดต้องเจริญด้วยความไม่ประมาททำยังไงนะส ม, มาทิฏิที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นส ม, มาธิฏิที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนภัยบูนยิ่งขึ้นประกอบด้วยใจรักอย่างมั่นคงในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้บางแห่งเนี่ยนะผู้ที่ไม่ประมาทคืออะไรคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรักษาที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งใหม่ๆขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่า ไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทตอนเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทคําว่าไม่ประมาทเนี่ยเป็นคําที่รวมความถึงมักมีองแปดเห็นไหมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะอาศัยความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นจึงเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเหมือนอย่างว่าดอกไม้ทั้งหลายมีดอกมะลิเป็นเป็นโลดฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดมีความไม่ประมาทก็เป็นมูลเห็นไหมแก่นแก่นไม้แก่นทั้งหลายที่มีกลิ่นหอมแก่นจันชื่อว่าเป็น แก่นที watering, <g> ่เล <loaded> <cop lar wa> ิศแก่นที่เลิดความไม่ประมาทก็ถือว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงฉันนั้นในบรรดาคนทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเลิศในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นเลิศบรรดากุศลธรรมทั้งหลายก็มีความไม่ประมาทเป็นเป็นเลิดเหมือนกันในบรรดากลางกลางวันเนี่ยนะที่ในบรรดาแสงทั้งหลายเนี่ยแสงแห่งดวงอาทิตย์นี่สว่างเป็นเลิศเพราะฉะนั้นบรรดากุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทเป็น เป็นเลิศบรรดารอยเท้าช้าเอ่อรอยเท้าทุกชนิดรอยเท้าช้างเป็นเลิศกุศลธรรมคือความไม่ประมาทเป็นเลิศดฉันนั้นแต่ถ้าหากว่าดำรงอยู่ในความไม่ประมาทก็จะปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่ตายอัปปมาโนมัดเอ่ออัปปมาโน อมะตะังประทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเพราะว่าข้อปฏิบัติคือความไม่ประมาทจากทําให้บรรลุอมะตะธรรมคือความไม่ตายพันธะพราทั้งหลายก็จําได้คําว่าไม่ประมาทนี้ก็ชื่อว่าประสบความสําเร็จและที่มาถึงเมืองกุสินาราว่าอย่าประมาทนะ ขยะอวิยะธรรมาสังขาราอ ป, ปมาเทนะสัมปาเททาเนี่ยนะไม่สมควรประมาทเธอทั้งหลายดูที่สังขารของพระตถาคตผู้ทรงคุณอันขนาดนี้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เหลือแล้วจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลายนะจะเหลืออีกสักเท่าไหร่น้อคุณป้าสุรีใช้คําว่ามาลาแล้วไม่รู้เนี่ยนะมาลาแล้วไม่คิดถ้าเป็นเทวดาจะไม่มาใหม่เลยหรือ รีบลาเป็ไหนถ้าสมมุติเราไปสวรรค์ก็จะได้มาไหว้สังเวชนียสถานมาแบบไม่ต้องเสียค่ารถแล้วันนี้ไม่ต้องหาค่าเครื่องบินเช่าโรงแรงมอะไรต้องนะไปรถเดียวมารบเดียวเนี่ยจะต้องมากราบให้ได้นีถ้าไปสุขติลปต้องมาใหม่สิทำไมเรียบลาจังคุณพปาสุรีนะ่ยมาอินเดียคราวนี้ได้ทำพินัยกรรมมอบไว้ให้ผมนะผมนี่เป็นผู้จัดการนะไม่เชื่อมีลูกเก้าเซนมาหมดเลยนะอ่าสั่งเสียเสร็จเลย นะสมบูรณ์ด้วยนะลูกก็เซ็นมาหมดเลยนะให้พันเอกพงชัยเป็นผู้จัดการมรดกชิ้นสุดท้ายนะโ อ, โอ้ไม่ประมาทแท้ๆเลยนะนี่ไม่ประมาท ถ, ถ้าไม่ประมาทนะนั่นหล ะ, ละรัพย์สำคัญละ่ะนั่นแหละเพราะว่าว<ะ>มีของภายนอกก็เพื่อจะบำรุงตัวนี้แหละก็จะจัดการให้ มาลุก่าจักรยานันข้ามมารถด้วยคันเดียวกันจะไปไหนเสียข้างบินลำเดียวกันจะไปไหนเสียก็ดีแล้วที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาณเมื่อพระองค์ตัด ปัจฉิมพจหรือปัจฉิมวาจาเสร็จแล้วเนี่ยนะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสียมสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอะไรก็อันนี้ก็เป็นสัจจะอะไรทุกขสัจอั ป, ปมาเทนะสัมปาเทธาเธอทั้งหลายอยากประมาทนะอันนี้เป็นสัจจะอะไรมรรคสัจผนถ้ากล่าวว่าสังขารไม่เที่ยงเนี่ยนะก็แสดงว่าเพื่อให้ละอะไรละตัณหามานะและทิฏิซาควรละตัณหามานะทิฏฐิในสังขาร ควรที่จะจิตน้อมไปหาธรรมที่เที่ยงคือพระนิพพานเนี่ยนะที่เที่ยงแล้วก็เจริญกุศลธรรมโดยมุ่งเพื่อแทงตลอดพระนิพพานมันพุทธพจน์บทสุดท้ายก็ยังประกาศสัจจะอยู่ดีประกาศอริยสัจอยู่ดีเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าปถมฌานคือเข้าฌานที่1ออกจากฌานที่1ก็เข้าฌานที่2อัตตกถาที่บายว่าบรรดาฌานที่1เนี่ยนะทุกประเภทที่มีอยู่ในโลกคือฌานที่1พระองค์เข้าหมดเลยไม่ใช่ว่าเข้าแค่ฌานที่1มีอารมณ์เดียวนะ ทุกอารมณ์ที่มีอยู่ทุกประเภทนี้เข้าหมดเลยแล้วก็ออกจากฌานที่หนึ่งก็เข้าฌานที่สองโดยประเภทแห่งฌานที่สองทุกประเภทที่มีอยู่ในโลกเข้าหมดคือพระองค์ชำนาญมา ก, กนะฮะก็เปลี่ยนแค่วัดชนะวัตปั๊บปั๊บปัเดียวเนี่ยก็ความสามารถอย่างว่าชั่วหายใจเข้าออกนี่ก็ระ ล, ลึกได้9ก้าสบเกลับอย่างเงี้ยนะคิดดูว่าท่านจะเข้าฌานทุกประเภทเนี่ยใช้เวลาที่สั้นมา ก, กนะแต่ละอย่างตะอย่างกําหนดชาวนะให้เกิดได้เลยว่าปฐมฌานเนี่ย กนในเรื่องเดียวนี่มีกี่ดวงไงกำหนดได้เลยขนาดนั้นความสามารถของพระองค์นี้ขนาดนั้นเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ฝึกจิตจนสําเร็จบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วอันอกจากทุติยชานก็เข้าตัติยชานออกจากตัติยชานก็เข้าจตุทชานออกจากจตุทชานก็เข้าอรูปชานคืออากาสามนันจายตนะออกจากอากาสามนันจายตนะก็เข้าวิญญาณันจายตนะออกจากวิญญาณันจายตนะก็เข้า อากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญาเยตนาก็เข้าเนวะสัญญาณาสัญญาเยตนะออกจากเนวะสัญญาณาสัญญาเยตนะก็เข้านิโรสมาบัติดับจิตและเจตสิกทีนี้พอดับจิตเจตสิกด้วยนิโรสมาบัตพิพระนนก็ถามว่าท่านอนุรุธะพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วหรือท่านอนุรุตบอกว่า อ, อนอนุผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้ายัางไม่ปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอันนั้นถามว่าพาาระพระอนุรทธารู้ได้ยังไงพระพระนอนุุทธานี่ใส่ใจในจิตของพระพุทธเจ้ามาตลอดเพราะว่าผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินี้จะต้องมีการอาวัชนะเอาไว้ก่อนว่าจะดับจิตภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นเป็นต้นเน่ยนะเึ่งพระอนุุทธานี่ท่านดูความคิดพระพุทธเจ้ามาตลอดเลยท่านรู้ว่าเออเนี่ยตอนออกจากอากินจัญญายตนะก็มีอะไรมีการทํา กำหนดเวลาใช่ไหมว่าจะเข้าเท่าไหร่ออเท่าไหร่แล้วเนว่าสัญญานาะสัญญายตนาเกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยท่านรู้เลยวันนี้เป็นการเข้าอะไรเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะซึ่งท่านรู้ท่าท่านก็มีอนุปภาพวิหารสมาบัติก้าอยู่แล้วท่านท่านก็เลยเข้าใจเลยนะว่าเป็นอะไรท่านนนทก็ต้องถามถาจารยท่านต้องอยญาติต่ำกวไม่สามารถรู้จิตของพระอัปยญที่สูงกว่าได้หรือไม่ท่านคะจริงๆแล้ว พระพระ้าอนุรุทธะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยพื้นฐานของตัวจิตเนี่ยเหมือนเหมือนกันแต่ว่าความสามารถต่างกันเท่านั้นเองเหนไหคือหมายความว่าอยู่ในระดับเดียวกันแต่ขีดความสามารถไม่เท่ากันพระเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ถมชานก็แตถมชานเหมือนกันรู้วราระจิต ก, ก็รู้เหมือนกันสอนได้ก็สอนได้แต่ว่าไม่เก่งเหมือนแบบคือทุกอย่างไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านะไม่เท่าอะ่ะ แต่ว่าทุกอย่างถ้าพระพุทธเจ้าทําอะไรท่านรู้รู้ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าหมดเลยว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์เป็นยังไงอะไรไงคือผู้ที่รู้ใจนายที่สุดตบบ น, นั้นเถอะอะไรแค่ไหนว่าแค่หันซ้ายหันขวาเนี่ยรู้แล้วว่าเข้าประสงค์อะไรผู้แล้วผ้าดุริ ธ, ธาเนี่ยเมียพิญยาด้วยพวกนี้ใช้เจโตเริยรยานได้แต่ถ้าเป็นอริยเบื้องล่างเนี่ยจะไม่รู้มรรคผลของผราอริยเบื้องบนแต่ถ้าจิตจิตธรรมดาทั่วๆไปที่เป็นโลกิยะจิตรู้ได้ แต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้โลกุตระจิตของภระรยะเบื้องบนแต่ว่าต้องยกเว้นยานยานหกที่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะอ๋ออันนั้นเป็นอาสาธารณนยานแต่พูดถึงว่าขณะที่พระพุทธเจ้าเข้าอาสาธารณนยานเนี่ยท่านรู้ท่า ร, า ร, ารู้หรือไม่รู้แต่ว่าท่านไม่มีท่านรู้ว่าพวกเนี่ยตอนเนี้ยเข้าอาสาธารณนยานตัวไหนเนี่ย รู้แต่ว่าภาพนโรธาทำได้ทําไม่ได้เนี่ยนะก็เหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างผู้อื่นเขากล่าวธรรมะเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขากล่าวทำรู้เรากล่าวได้เหมือนเขาไหมก็ไม่ได้ลักษณะนี้นะอย่างเราทำมาจากเรารู้ไหมว่าเมื่อวานเขาสวดธรมรมาจากรู้เราปิดตําราสวดได้ไหมไม่ได้เนี่ยก็ลักษณะนี้นะเราก็คล้ายๆกันพอหลังจากออกจากนิโรธสัญญาเวทายนี้ต่านิโรธจริงๆก็ต้องเข้า เข้าพระสมาบัติก่อนใช่ไหมเข้าพระสมาบัติออกจากพระสมาบัติเข้าเนวะสัญญาใหม่ออกจากเนวะสัญญากลดอย่างนี้มาเหลือเป็นอากินลดจากอากินมาเป็นวิญญาณัญญายจตนะออกจากวิญญาณัญญายจตนะเข้าอากาสานัญญายจตนะออกจากอากาสานัญญายจตนะเข้าจตุทะชานออกจากเจตุทะชานเข้าตัติยะชานออกจากตัติยะชานเข้าทุติยะชานออกจากทุติยะชานเข้าปฐมะชานออกจากปฐมะชานเข้า ทุติยะชานออกจากทุติยะชานเข้าตัติยะชานออกจากตัติยะชานเข้าจาตุธาชานอันนี้พูดแบบธรรมดาทั่ ว, วไปนะแต่อย่าคิดว่าเรื่องนี้นะใช้เวลานานนะพระพุทธเจ้าเข้าสมาบัติอย่างนี้เท่ากับตอนตรัสรู้เอาสิเข้าสมาบัติเท่ากันตอนกับที่ตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าบินธบสองคราวมีผลเลิศเหมือนกันคืออะไรคือเข้าสมาบัติเท่ากันข้อหนึ่งนะมีการปรินิพานเหมือนกันเข้าสมาบัติ เหมือนกันเท่ากันเนี่ยอันนี้แหละทาให้อาอ า, อาหารของนายจุนท่ากับอาหารของนางสุชาดานั้นมีผลเท่ากันเพราะผลอนุภาพของอะไรของสมาบัตเป็นต้นของการปรินิพานเป็นต้นนั่นเองอันหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ออกจากจตุทะชานก็ดับขันปรินิพานด้วยมหาวิบากดวงที่ที่หนึ่งนี่ดวงที่หนึ่งเพราะพระ อ, องค์นี้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องจุติด้วย ประเภทเดียวกันกับตอนปฏิสนธิเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่เดรชานก็เป็นอย่างนั้นเมื่อพระ อ, องค์ดับขันตรินิพพานแล้วเนี่ยนะเกิดแผ่นดินไว้ใหญ่แผ่นดินเนี่ยไว้เลยความขนพองสยองคักสยองกล้าวหน้าสะพึงกลัวทั้งกลองทิพย์กบลือลัน่นพรมก็เลยกล่าวสังเวชธรรมว่าสามบดีพรมนะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจกต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในลูก แต่พระตถาคตผู้เป็นาศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังต้องเสด็จดับขันรพระนิพพานข้อจริงนะว่าสังขารทั้งศัตรูทั้งปวงยังไงก็ต้องทิ้งร่างกายหมเมนุษย์ทั้งหลายยังไงก็ต้องทิ้งร่างกายเอาไว้ในโลกในใะนะโดยที่สุดแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพราะนี้เป็นธรมนธรมดาของโลกเป็นธรรมดาของโลกในใะนทีนี้ท้าวสกกะจอมเทพก็กล่าวว่า เท้าส ก, กา่าก็อันนี้ชาววัดสังฆาราอุปาทฐาวายธรรมนิโนอุปชัชชะวาเนรุันติเตสังอุปสสัสลุสอุปัสมุสุโเน่เท้าส ก, กา่ามาบางสกุลให้พระพุทธเจ้าเลยหรือบางสกุล น, นี่ของมายังไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบบางสกุลนนะ่ะถ้ า, ถาอ๋อใช่ไม่รู้แปลว่าอะไร บางสกลุลเนี่ยก็ของเปลือยถ้าเป็นศัพท์ไทยเนี่ยหมามันคิดตามง่ายนะบังกับสกลุลอยังไงคิดง่ายไม่ยากนะแต่ว่าบาหลีจริงๆยังนึกไม่ออกว่าอคําเนี่ยแปลว่าอะไรตังสุแปลว่าฝุ่นนะเปื่อนนะผ้าเปื่อนผ้าเปื่อนฝุ่น น, นนะแล้วทำไมอนิจจาพววัสังคารายจึงเรียกว่าชักบางสกุลก็ว่าเอาผ้าไปวางไว้แล้วก็เกิดชักมา ต, อ, ตอว่าต้องกล่าวคํานี้ สังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงหนอะเกิดขึ้นแล้ะมีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมเกิดขึ้นะนะแล้วก็ดับไปดับนิโรธชันติตัวนั้นถ้าดับได้จริงๆใครที่สงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขใช่ไหมเตสังอุปัสโมสุขโขนิท้าส ก, ก่าท่านกล่าวท่านพานุโลกะก็กล่าวว่าลมอัศสาสะปัสสาสะของพระมุนีผู้มีพระทยัยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวปราลบสันติการทำกาละไม่ได้มีแล้ว คือพระองค์เนี่ยเข้าพระลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ก่อนใช่ไหมออกจากพระละสมาบัติก็จุติจิตก็เกิดเนี่ยเก็คือพระองค์เนี่ย ฌานทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ฌานธรรมดาเฉยๆนะโดยที่สุดแม้แต่ฌานที่เป็นพระาสมาบัตด้วยนะที่พระองค์เข้าไม่ใช่เข้าแต่โลกิยะสมาบัตนะที่เราว่ากล่าวถ้าเข้ า, ารูปฌานารูปฌานนั้นเข้าทั้งโลกิยะสมาบัตและโลกุตระสมาบัตพร่องเข้ามาเลยพระองค์มีพระทัยไม่หดหูทรงอดอั้นเวทนาได้แล้วทรงพ้นแห่งจิต ความพ้นแห่งจิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นเห็นไหมเราเวลาประทีปดับไปเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับเหมือนกับประทีปที่ดับไปฉะนั้นท่านท่านนลก็เลยกล่าวคาถาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทั้งปวงปรินิพานแล้วในครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์น่าสะเพรงกลัวและความขนพองสยองกล้าวเนี่ยนะท่านนลนี่ขนลุกสู้สู้เลยนะมันนี้ใครขนลุกมั้งคุณ กทัณติคนลุกบ้างไหมผู้การเราก็มีบ้างอะนะมีบ้างเพราะฉะนั้นพวกพิสูจนที่ยังไม่ปราศจากราคา่าร้องให้ค่ําครวญเลยนะพระพุทธเจ้าปรินิพานเร็วนักพระพุทธเจ้าปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสูในโลกอันตรธานเร็วนักอะนะเหมือนคนทํางานยังไม่เสร็จแล้วดวงอาทิตย์ลับหายเลยนะเสียใจเลยโอ้ทำไมดวงอาทิตย์รับไปหายเร็วจังเน้องงานกันยังไม่ทันเสร็จอะนะส่วนพระรหัารทั้งหลายแหละ พระธรรมทั้งหลายก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะจะหาได้ความเที่ยงเนี่ยจะหาได้จากสังขารแต่ที่ไหนสังขารมันไม่เที่ยงจะไปหายัางไงให้สังขารไม่เที่ยงะนะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่าลืมว่าไอการมนุิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ชื่อว่าเป็นกําลังอย่างหนึ่งของ พผ่ า, ารหัส น, นะว่าใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสังขารอ น, นี้เป็นกําลังข้อที่หนึ่งกำลังข้อที่สองคือเห็นการเหมือนหลมฐานเพลิงกําลังข้อที่สามคือมีจิตเงื้อมไปโอนไปในทันนิพานคือวิเวก น, นะแล้วก็มีจิตดํำรงมีสติดํารงมั่นในสติปฐานสี่เป็นต้นอันนั้นเป็นกําลังของพผ่ารหัเพราะท่านมีกําลังเหล่านี้ทําให้ท่านไม่หวั่นไหว ด, ด้วยอํานาจของราคะโทสะเป็นต้นท่านก็เลยไม่ต้องเสียใจอะไร ท่านอรุทธะก็เลยเตือนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเลยผู้มีอายุทั้งหลายประเตือนท่านนลเป็นต้นนั่นแหละท่านอย่าเศร้าโศกร่ําไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้บอกตรัสไว้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลาดพลาดความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทั้งสิ้นก็ต้องมีข้อนั้นจะหายได้ในสิ่งในสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้แต่ที่ไหน คือทํายังไงที่จะไม่ให้พระดพลาดมีได้ไหมไม่ได้อย่างเราทั้งหลายมาอยู่ร่วมประชุมกันฟังธรรมเนี่ยหรือมาร่วมทําบุญในสังเวชนียสถานเนี่ยจะทําอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะรู้วันเลิกตั้งแต่วันจัดแล้วรู้วันเล่ออาวันจัดเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะ เพรา ะ, ะรสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วอันปัดใจปรุงแต่งแล้วมีความแตกทาลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่สังขารทั้งหลายจะเที่ยงแท้จรังยั่งยืนทีนี้เทวดาก็เลยพากันยกโทษปลาโอ้ยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยดับขันปรินิพานเร็วนกักเนี่ยนะ พระสุคตปรินิพานเร็วนักพระองค์พูดมีจักษุในโลกอันตรธานเร็วนักว่า ง, งั้นเทวดาเสียใจอย่างนี้เหมือนกันนะโอ้โเสียใจมากๆเลยนะเทวดาที่เป็นพระอรหันต์ก็บอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะจะหาได้ในสังขารแต่ที่ไหนคือจะหาให้สังขารมันเที่ยงจะหาได้จากไหนว่า ง, งั้นมันพระพุทธเจ้า ป, ปรินิพานนั้งแต่ยังไม่สว่างเนะยยังไม่สว่างไม่ใช่ตรัส ปรินิพพานตอนรุ่งอรุณคืนนั้นเนี่ยปรินิพพานก่อนสว่างทีนี้เวลาตรีที่เหลือพระอนุรุทธะก็แสดงธรรมให้บริษัทฟังแล้วก็ให้พระ อ, อนนท์เนี่ยเข้าไปในเมืองกุสินาราไปบอกพวกมลรคสัตย์ ท, ทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทราบกาลอันสมควรเถิดนี่ตอนหลังก็เหตุการณ์ก็ได้อย่างที่เรารู้กันนะว่ามีการ ทำสาธุกีฬาเพื่อเป็นพุทธบูชาเขาบูชาพระพุทธสริระตรงที่ปรินิพานอยู่7วันพอเขาวันที่7ก็มีการอัญเชิญพระพุทธสรีระเนี่ยนะให้ใหส่ไว้ในที่เรียกว่าพระอารนะิรังเหล็กใช่ไหมใช่ในรังเหล็กทีนี้พวกมรลกษัตย์นี้มีความประสงค์ว่าจะยกพระสริระของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไปทางทิศใต้แล้วออกนอกพระนครถวายพระเพลิงด้านทิศใต้แห่งพระนครมลกษัตริย์นี้ต้องการถวายพระเพลิงด้านทิศใต้แต่เทวดามีความประสงค์อนให้อัญเชิญไปทางทิศเหนือก่อนแล้วก็จากทิศเหนือแล้วก็ให้อัญเชิญมาที่กลางเมืองพอจากกลางเมืองแล้วก็อัญเชิญมาที่ทิศตะวันออกแล้วก็ถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ของเจ้ามรรทั้งหลายทางทิศตะวันออกของเมืองพันธที่ที่เราอยู่นี่ถือว่าทิศตะวันออกของเมือง ี่ที่ประชุมพระเพลิง ม, มากุดพันธนาเจดีที่เราทั้งหลายไปเอาผ้าไปล้อมเพื่อเป็นพุทธบูชาจิต จิตตกาธานเนี่ยนะเชิงตะกรเป็นที่ถวายพระเพลงิงพระพุทธเจ้าบูชาเครื่องสาการะมีการประทักษิณกล่าวธรรมกถาเป็นต้นเพื่อบูชาพราะองคนะ์ผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นที่ที่แบ่งพระธาตุเหมือนันเถอะสถานที่ตรงนี้เนีเป็นที่ที่แบ่งพระาธงงะาตาธุมีเหตุการณ์สําคัญเพราะว่าหมู่พระญาติบุคคลเนี่ยพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่เราเหยียบกันเดินตันเนี่ยพระริยะท่านก็เหยียบตรงนั้นเนี่ยนะ ตว่าศิขาไม่เหมือนกันนะนะปฏิบบริบูรณ์ด้วยสิขาเราทั้งเรือเราทั้งหลายก็เหยียบด้วยศรัทธาไงเหยียบที่ตรงนั้นด้วยศรัทธาด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตอนหลังก็มีการแบ่งพระศรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เหตุการณ์ที่น่าสนใจตรงหนึ่งก็คือพระมหากษัตริยได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันตรีนิพพานเนี่ยนะเนอาเข้าไปพระมหากษัตริยนี้ ได้กราบพระบาทก่อนที่จะถวายพระเพลิงเลยนะกก็ได้ถวายพระบาทด้วยมือจริงๆเลยนะเพราะท่านพระมหากษัตริยอธิษฐานด้วยพระด้วยอภิญยาเนี่ยให้รางเหล็กเนี่ยเปิดแล้วก็พระพระบาทนี่ยื่นแวกอกอกมาจากผ้าให้ท่านกราบกราบเสร็จก็หลุดหายตามเดิมแล้วก็พระเตโชธาตุก็ได้ลุกเกิดขึ้น ทีนี้ก็หลังจากที่รู้ข่าวปริณิพานกษัตริย์ทั้งหลายพระเจ้าชาติศัตรูก็ส่งสารมาลิชวีก็ส่งสารมากษัตริย์กบิลพัทก็ส่งสารมากษัตริย์เมืองทูลีเนี่ยนะกษัตริย์เรียกว่ากษัตริย์ธูลีเมืองอลกัปตะก็ส่งมากษัตริย์โกริยะเมืองรามคำก็ส่งมากษัตริย์ผู้ครองเมืองเวททีปะก็ส่งมากษัตริย์เมืองกษัตริย์มละเมืองปาวาก็ส่งมา แล้วก็กษัตริย์มาเจ้ามละเมืองกุสินาราเขามีอยู่8เจ้านะแกษัตริย์ใหญ่คือห่งพระเจ้าชาติสตรูสองกษัตริย์เมืองลิชวีอ่ากษัตริย์เมืองไพราลีเนี่ยนะสามกษัตริยะ4ีอ่ากษัตริย์เมืองอลกัปะแล้วก็หกษัตริย์เมืองรามคำหกพราหมณ์เมืองเวททิปะ7กษัตริย์เมืองปาวาแล้วก็8กษัตริย์กุสินารา การแบ่งพระธาตุก็แบ่งตามเมืองอย่างนี้แหละทีนี้ตอนหลังก็มีกษัตริย์เมืองอะไรกษัตริย์โมริยะเมืองปิดพริเนี่ยก็ก็มาขอเหมือนกันก็เหลือแต่ขี้เท่าก็เลยได้ขี้เท่าไปได้อังคารคือได้ขี้เท่าไปส่วนโทนตพราบก็ได้อะไรได้ทนานทนานที่ตวงเนี่ยไปได้ทนานที่ตวงพระอังคารไปอั้นพระธาตุทั้งหลายก็เลยมีการแบ่งพูดถึงพระศรีละ นะนะก็แบ่งไปตามที่กล่าวไปแล้วส่วนพระเที่ยวแก้วองค์หนึ่งพระเคี่ยวแก้วทั้งหมดมีเป็นสี่องค์ใช่ไหมองค์หนึ่งนี้อยู่ในสวรรค์ชันดาวดึงองค์ที่สองอยู่เมืองคันทักปุระองค์ที่สามอยู่มือพระเจ้าเมืองกาลิงคะองค์ที่สี่เนี่ย น, นะสี่องค์นี้อยู่นาคบูชานาคบูชาพระศรีราธาตด้วยพระเดชแห่งพระศรีราธาด น, น, นั่นแหละแผ่นดินประดับแล้วด้วยนักพรตผู้ประเสริฐที่สุดพระศรีราธาตของพระพุทธเจ้าผู้มีจกักษุนี้ชื่อว่าอันเขาสาการะ สักการะดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพพญานาคและจอมนระบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐบูชาแล้วเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงประนมมือถวายบังคมพระสรีระธาตุนั้นนั้นก็ให้น้อมจิตม้อมบูชาสรีระนั้น น, น, นั้นนะเพราะว่าศรีระของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้โดยยากโดยร้อยแห่งกับ แม้แต่เป็นร้อยๆกับก็หากราบหาไหว้ยากราะเราทั้งหลายก็นับว่าเป็นผู้มีบุญแล้วเที่ยวไปบูชาไหว้พระธาตุตามที่ต่างๆเพราะว่าตลอดร้อยกลับเป็นอันมาก <arrive> ก็ไม่มีพระธาตุให้เราได้บูชาอีกต่อไปเนี่ยนะก็ <S <S 2> <S 2> อีกไม่นานถ้าเรายังเฝ้าวัดตะอยู่เนี่ยนะเฝ้าขันท่าหรอเจตนาอยู่เราก็ไม่มีโอกาสได้ไหว้พระธาตุเพราะพระธาตุอีกไม่นานนี้ก็จะอันตรธานจริงๆด้วยค่ะนี้อันตรานคราวนี้ไม่เหลือแม้แต่ผงเลย ท่านได้หลังจากนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้ไหว้พระธาตุอีกแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้แตสรุธรรนะโน่นน่ะรอพระธาตุพระศรีอาในะ น, นี่นอนอีกเรื่องเรื่องยาวเลยแหละส่วนพระทนสี่องค์นะฟันพระพุทธเจ้ามี44สพระเกศาและพระโลมาทั้งหมดเทวดาเอาไปคนละองค์ตามจั ก, กรวาลกลางๆเพราะฉะนั้นไหว้ได้ทุกทิศเลยพระธาตุพระพุทธเจ้าอยู่ทุกทิศ นะว่ายที่เมืองไหนก็ถูกหมดนะเนี่ยย่ายว่ขึ้นฟ้ายังถูกเลยเพราะว่าว่ายขึ้นฟ้าว่ายที่ไหนจุลามณีอย่างเป็นต้นนะเนว่ที่ไหนก็ถูกหมดนะถูกพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตนาะมานจิการได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะซึ่ง เ, เราก็ได้มาร่วมทาเป็นบุญประเภทพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชารา ล, ลึกกนะันนะหลายท่านก็เตรียมปักผ้าโดยเฉพาะที่ปริณิพานเนี่ยคุณพานเนี่ยปักผ้าอยอาทิตศหนึ่งนะอะทิ์เสร็จเลยนะปักผ้าเอาเป็นการเป็นงานเลยนะเอาเป็นเนี่ยนะเจมวยก็เย็บผ้าก็ เ, เป็นอาชีพเหมือนกันนะก็ เป็นโรงงานเลยนะคนเขาคนขายจักรเสนอขายจักรติดต่อขายจักรให้นึกว่าจะตั้งโรงงานแล้ว น, นะเพื่อที่จะได้ปูผ้ามาอันนะหลายๆท่านก็สรุปนิึงไม่ได้เอ่ยนามก็ตามท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ตั้งใจ